มีใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อไม่เคยดูยูทู e เลยมีไหมยกมือหน่อยไม่ต้องอายนะไม่เคยก็ยกมือมีไหมไม่มีก็ดีแล้วถ้านะมีมีหนึ่งคนหลวงพ่อแนะนำให้ไปฟังเอานะ เอาซีดีไปก็ได้ที่วัดมีแจกให้ทรมาไม่ใช่ของยากก็จริงนะแต่มันเป็นของแปลกใหม่ที่เราไม่เคยรู้อย่างตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราสนใจสิ่งข้างนอกตลอดตอนเป็นเด็กเล็กๆพ่อแม่ก็มาชวนเราคุย ดึงดูดความสนใจเราไปที่พ่อที่แม่อะไรเงี้ยผู้ใหญ่มาเยี่ยมตัเราเล็กๆ เ, เกิดใหม่ๆมาจ้าเอกเจ้าเอกอะไรเนี้ยชวนให้เราสนใจออกข้างนอกตลอดให้เราถูกฝึกที่จะให้รู้ออกไปข้างนอกแต่มันก็จำเป็นถ้าไม่รู้ ข้างนอกเหลือมก็อยู่ก็โลกเขาไม่ได้นี่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งจุงใจภายนอก ม, มันันยิ่งเยอะแยะไปหมดเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็มองคนที่เราชอบอไย่างนี้ทำอะไรก็สนใจของข้างนอกมายุคนี้ก็มีข่าวสารเยอะแยะวันวันหนึ่ง หลวงพ่อเคยอ่านเจอบอกคนสมัยอยุธยาเนี่ยตลาดชีวิตรับข้อมูลข่าวสารนะไม่เท่าพวกเราในยุคนี้รับในอาทิตย์เดียวเรารับข้อมูลจากข้างนอกเนี่ยเยอะแยะเลยวันวันว น, นึงความสนใจของเราเนี่ยมันมีแต่ผู้่งออกข้างนอก แล้วยิ่งนับวั น, นกระแสดึงดุดภายนอกเนี่ยมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆการที่จะทวนกระแสเคยได้ยินไหมคาว่าทวนกระแสทวนกระแสของจิตใจเราเนี่ยกลับเข้ามาหาตัวเองมันเลยเป็นเรื่องแปลกใหม่เป็นเรื่องประหลาดไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนให้โอปนะอีโกน้อมเข้ามาหาตัวเอง นี่เราไม่รู้จักการน้อมเข้าไปหาตัวเองการเรียนรู้ตัวเองเป็นธรรมะซึ่งเป็นของง่ายๆนะในใจเป็นของทายากยอะไรเพราะเราไม่คุ้นเราไม่รู้จักรมีทีการที่เราจะมาเรียนรู้ตัวเองได้จะต้องรู้ก่อนว่าเราเรียนรู้ตัวเองไปเพื่ออะไร ถ้าเราเรียนรู้ตัวเองอย่างจำแจ้งนะเราจะรู้เลยว่าตัวเราก็สิ่งที่แวดล้อมอยู่ข้างนอกนะี่ก็อันเดียวกันตัวเราเนี่ยเป็นแค่ฝุ่นลองของโลกอันเล็กๆ เ, เป็นเศษทุลีเล็กๆของจักรวาลไม่ได้มีความหมายอะไรเลยอย่างพวกเราชาวโลกทั้งหลายทั้งโลกนะีหลายพันล้านก็ตายไปพร้อมๆกันเนะี่ย ไม่ได้ทำให้จักรวาล น, นี้กระเทือนเลยไม่ได้มีความหมายอะไรเนี่ยแต่ว่าความสำคัญมั่นหมายว่ากูเก่งกูใหญนะ่กูอย่างนั้นกูอย่างนี้มันเลยทาให้เราตัวโตก ว, ว่าความเป็นจริงในความเป็นจริงแล้วเราเป็นแค่ฝุ่นละอองเล็กๆไม่มีความหมายจะอยู่หรือจะตายก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะกับโลกกับจักรวาล น, นี้ ความสำคัญตัวผิดเรื่อว่ากูอย่างโน้นกูอย่างนี้ก็เลยดิ้นรนตลอดเวลานะหาความสงบสุขในจิตใจไม่ได้สักทีเพราะถ้าเจ้าสอนเราให้อุปนิยโกน้อข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็าคือกายกับใจ เราจะเรียนรู้กายกัใจได้แรกเลยต้องมีสติสติคือเครื่องมือที่รู้กายคือเครื่องมือที่รู้ใจรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจนั่นคือตัวสตินะมีอีกตัวหนึ่งคือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยคือตัวที่รู้ความจริง รู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจมันจะไม่เหมือนกันนะการรู้กายรู้ใจเนี่ยรู้ด้วยสติอย่างเราจะขยับเขยื่อนเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่เรียกว่าเรามีสติแต่มันยังพ้นทุกข์ไม่ได้กางถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่ไปเรื่อยเรืสิ่งที่ได้คือสมาธิและสงบเฉยๆตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์พ้นโลก มโนวัตตะสงสารได้ตัวปัญญาสติรู้ว่าร่างกายมีอยู่จิตใจมีอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวอะไรนี่ยสติเป็นตัวรู้ตัวสภาวะสภาวะของรูปธรรมสภาวะของนามธรรมปัญญาเนี่ยเป็นความฉลาดของจิตที่จะรู้ความจริง ของรูปธรรมนำมาทำทั้งหลายทั้งปวงสติเนี่ยสามารถทำให้เราแยกได้ว่าโลภกับโกรธไม่เหมือนกันสุขกับทุกข์ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจำแนกได้ว่าโลภกับโกรธมีลักษณะที่แตกต่างกันมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันลักษณะเฉพาะตัวเียวิเศษลักษณะลักษณะพิเศษ โลภ ก, ก็มีลักษณะพิเศษของโลภโกรธก็ธกมีลักษณะพิเศษของโกรธฟุ้งซ่านก็มีลักษณะพิเศษของฟุ้งซ่านหดหูก็มีลักษณะพิเศษของหดหูสุขทุกข์ก็มีลักษณะพิเศษของแต่ละตัวแต่ละตัวไปนั้นสภาวะแต่ละตัวสภาวะธรรมทั้งโลกธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะเฉพาะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ทำให้สามารถแยกได้ว่าตัวนี้กับตัวเนี้ยเป็นคนละตัวกันรลภกับโกรเป็นคนละตัวสุขทุกข์เป็นคนละตัวกันดีกับชั่วก็คนละตัวกายกับใจก็คนละตัวดินน้ำไฟลมก็เป็นคนละตัวกันแต่ละตัวนี่เราแยกได้แต่แค่เนี้ยยังไม่พ้นทุกข์หรอกแค่เห็นลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมแต่ละตัวเนี่ย ยังไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกได้เราจะพ้นทุกได้ถ้าเราเห็นลักษณะร่วมของสภาวธรรมทุกๆกตัวนะยกเว้นนิพพานเป็นสภาวะที่แยกออกไปต่างหางรูปธรรมนามธรรมอื่นมีลักษณะร่วมกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกขนะ์ความเป็นอนัตตา คำว่าไม่เที่ยงหมายถึงสิ่งซึ่งเคยมีนะถึงจุดหนึ่งมันไม่มีสิ่งที่เคยมีมันไม่มีนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์หมายถึงว่าสิ่งซึ่งกำลังมีนะสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปนอ น, นิจจังเนี่ย จะเห็นว่าสิ่งที่เคยมีนั้นมันดับไปทุกขังนีนเห็นว่าสิ่งซึ่งยังไม่ดับกำลังถูกบีบคั้นให้ดับอนัตตก็คือสิ่งทั้งหลายจะมีอยู่จะตั้งอยู่หรือจะดับไปเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเอี่นอนิจจังทุกขังอนัตตาสามตัวเนี้เป็นลักษณะร่วม ของสภาวะธรรมส่วนใหญ่ยกเวน้นปานิพันนอกกนั้นตกอยู่ใต้ใจลักทั้งหมดเลยถ้าเราเห็นสภาวะทีละตัวทีละตัวนะมันยังปล่อยวางไม่ได้จริงอย่างเราเห็นแล้วสุขกับทุกข์ไม่เหมือนกันเราก็จะอยากได้สุขเราก็จะอยากหนีทุกข์จะเกลียดอันหนึ่งจะชอบอันหนึ่ง ใจไม่มีวันเข้าสู่ความเป็นกลางเลยเพราะ้นลำพังเห็นตัวสภาวะนะเช่นโลภโกรธหลงแต่ละตัวสุขทุกข์ดีชั่วแต่ละตัวหรือธาตนะุดินน้ำไฟลมแต่ละตัวเนี่ยไม่สามารถปล่อยวางได้เราจะเกิดชอบอันนี้เกลียดอันนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีปัญญาแทงตลอดว่าสภาวะทุกๆกตัว เสมอกันเท่าเทียมกันด้วยความไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์ด้วยความเป็นอนัตตาเพราะฉ้นการเจริญปัญญาเนี่ยมาเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาตัวนี้ถึงจะเป็นมิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังปัญญาอย่างนั้นกิเลสไม่กระเทือนเท่าไหร่หรอกดีไม่ดี กิเลสหยาบายไปแต่เกิดกิเลสละเอียดึเกิดมาหน้าตากูเก่งกว่าคนอื่นเนะเรียนมาเยอะอปัญญาที่จะล้างกิเลนได้ต้องเป็นวิปัสสนาปัญญาถึงจะล้างกันได้เด็ดขาดวิปัสสนาปัญญาเนี่ยต้องเห็นใจลักษณ์ของสภาวะทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นลักษณะร่วม ลักษณะร่วมในภาษาบาลีก็เรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะลักษณะทั่วไปของสิ่งที่เป็นสังขารลักษณะทั่วไปถ้าเห็นอย่างนี้ว่าสุขกับทุกเกิดแล้วก็ดับเหมือนเหมือนกันใจมันก็จะไม่หิวความสุขใจมันจะไม่เกลียดความทุกข์เนี่ยการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ย จิตถึงจ ย, ยอมปล่อยวางไม่งั้นจิตก็จะรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไปเรื่อยๆมันไม่เห็นท่องแท้ว่าสภาวะทั้งหลายสุขและทุกข์ดีและชั่วหยาบและละเอียดภายในและภายนอกอยู่ใกล้อยู่ไกลแท้จริงแล้วเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ถ้าสามารถเห็นว่าสภาวะทั้งหลายมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยใจมันก็จะไม่ชอบอันหนึ่งไม่เกลียดอันหนึ่ง ใจก็จะหมดการดิ้นรนใจของเราเป็นทุกข์เนะีเพราะมันดิ้นทําไมมันดิ้นเพราะมันโง่มันโง่คือมันไม่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนะี่ยมันเท่าเทียมกันนะมันเกิดแล้วดับเหมือนๆกันเพราะฉะนั้เราต้องมาฝึกตัวเองนะพัฒนาเครื่องมือสองตัวมีสติมีปัญญา ปัญญาเนี่ยจะมีได้จิตต้องมีสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิที่ถูกด้วยนะสมาธิชนิดมิจฉาสมาธิทำให้โง่มากกว่าเก่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ประกอบ ด, ด้วยสติมิจฉาสมาธิไม่มีสตินั่งแล้วเห็นโนอนเห็นนี่อะไรนั่ง้วเทอาเปลือยเปลือปล้อนไปสู้กิเลสไม่ได้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลส นิสติกับปัญญาสติจะเป็นตัวรู้ว่ากำลังมีสภาวะอะไรอยู่ปัญญาก็จะเห็นว่าสภาวะแต่ละตัวนะั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ทรมานนะเมื่อกี้หลวงพ่อ บ, บอกแล้วคาว่าทุกขังเนี่ยไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเช่นเราไม่สบายเนียป่วยไข้ ย, ยังเงี้ยร่างกายมีความทุกข์นี่เรียกว่าทุกขเวทนา แต่ทุกในไตรลักษณ์นี่เรียกว่าทุกขลักษณะคนละอันกันทุกมีหลายทุกนะมีทั้งหมดทั้งสิชนิดเนะี่ยทุกขลักษณะก็คือสภาวะที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายทุกขศาสตร์ก็ไปอีกแบบหนึ่งนะสี่งที่เรียกว่าทุกขศาสตร์ทุกขอริยสัสตร์ก็คือรูปนามคือขันธ์ห้านี่แนะคือเรียกว่าทุกขอริยศาสตร์ นั่นคำว่าทุกทุกทุกฟังแล้วนึกว่าอันเดียวกันที่จริงมีตั้งหลายแบบหัดนะรู้สภาวะขั้นแรกสุดถ้าไม่รู้สภาวะนะของสภาวะธรรมทั้งรู ป, ปธรรมนมามธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่ที่ตัวสภาวะธรรมไม่มีสติรู้สภาวะธรรม ไม่มีทางเห็นไตรลักษณ์ปัญญาไม่มีทางเกิดเลยงั้นหัดรู้สภาวะนะอย่างพวกเราเนี่ยคนไหนขี้โกรธหัดรู้ไปเรื่อยๆใจมันโกรธขึ้นมารู้ทันใจมันหายโกรธรู้ทันพอเรารู้ทันสภาวะของความโกรธความโกรธมันเกิดบ่อยสําหรับคนที่โกรธบ่อยๆนะก็ดูความโกรธเป็นตัวหลัก ความโกรธผุดขึ้นมารู้ทันตรงที่เรารู้ทันว่ามีความโกรธเกิดขึ้นนี่ก็เรามีสตินี่เราเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นนะมีสติเกิดขึ้นปวามโกรธมันจะดับอัตโนมัติเพราะความโกรธเป็นกิเลสเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอย่างเราขี้โมโหอย่างนะตามองเห็นรูปใจก็โกรธหูได้ยินเสียงใจก็โกรธ จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจก็โกรธคิดเรื่องน้นเรื่องนี้ก็โกรธอีกเแี่ความโกรธมันเกิดบ่อยสําหรับคนขี้โกรธเราใช้ความขี้โกรธของเราเนี้ยมาทํากรรมฐานโกรธขึ้นมนก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้การที่เรารู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเรื่อยๆนะวันแล้ววันเล่าเนี้ยต่อไปจิตมันจําสภาวะความโกรธได้แม่นยํามันรู้ว่าความโกรธ รูปร่างเป็นอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้มันเกิดเพราะอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันทำงานอย่างนี้อย่างนี้จะเห็นเรียกว่าเห็นลักษณะสี่ประการของสภาวะธรรมลักษณะแรกคือลักษณะเฉพาะตัวความโกรธมันรูปร่างอย่างนี้เป็นความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าความโกรธรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันทางานอย่างไง มันทำงานยังไงมันจะมาครอบงำใจเรานะให้ทำลายล้างสิ่งต่างๆอารมณ์ที่ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยมันผลักดันแล้วถ้าความโกรธเกิดแล้วมันทำงานแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงเราก็จะเห็นมีผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนของจิตใจเราก็จะเห็นลึกลงไปทำไมมันโกรธอยู่ๆความโกรธไม่เกิดหรอกต้องมีเหตุ อย่างบางคนนะบอกว่าไม่เคยอาคาตใครเลยอย่างสุสีไทเฮาบอกไม่เคยอาคาตใครสักคนเลยทำไมไม่อาคาตใครไม่พอใจใครคนนั้นก็ตายแล้วนะไม่ต้องอาคาตเสียเวลาอย่างนี้เรียกว่ามันไม่อาคาตเพราะไม่มีสิ่งเรา้าไม่มีอารมณ์มายุ่งให้อาคาตหรืออย่างพวกเรานะพื้นจิตของเราอาจจะขี้โกรธก็ได้แต่บุญบา ร, รมีเราสร้างมาเยอะ เราก็ทบแต่อารมณ์ที่ถูก อ, อกถูกใจตลอดเวลาไม่มีอารมณ์ที่ไม่ชอบเลยนะเราะฉะน้นความโกรธยังไม่มีโอกาสแสดงตัวให้เราดูนะมันมีเงื่อนไขนะไม่ใช่อยู่ๆมจะโกรธได้ตามใจชอบนะเพั้นความโกรธก็มีเหตุให้เกิดคือมันต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจนะถ้ามันกระทบอารมณ์ที่ถูกใจมันก็ไม่โกรธโกรธก็เพี้ยนแ ล, ะละ้วล่ะ แนี่ยเค่อยๆสังเกตไปเราจะเห็นว่าสภาวะแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันสภาวะแต่ละตัวมีบทบาทไม่เหมือนกันนะแต่มันเป็นกลุ่มๆอย่างกิเลสก็ทําบทบาทของกลุ่มกิเลสกุศลก็ทําบทบาทของกลุ่มกุศลนั่นมีเป็นกลุ่มๆเหมือนกันแต่ว่าลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยแตกต่างกั น, นอย่างราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ย เป็นกลุ่มของกิเลสมันก็ทำให้ใจเล่าร้อนแต่มันร้อนคนละแบบร้อนคนละแบบร้อนเพราะราคะเนี่ยมันคนรู้สึกแม้อบุนสบายด้วยซ้ำไปร้อนเพราะโทสะนี่แหมมันแผดเผาร้อนเพราะโมหะคนไม่รู้เลยว่าร้อนโดูยากที่สุดเลยแต่ถามว่ามันร้อนไหมมันร้อนมันอยู่ในกลุ่มกิเลสที่แผดเผาเราให้เราร้อนแต่แต่ละตัว มีบทบาทแตกต่างกันการทำงานของสภาวะแต่และตัวก็มีผลต่างกันอย่าง ก, กิเลสทั้งหลายทำงานขึ้นมาก็มีผลเป็นความทุกข์รออยู่ข้างหน้ากุศลทำงานขึ้นมาก็มีผลเป็นความสุขรออยู่ข้างหน้ามีผลที่แตกต่างกันนี่เราจะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะแต่ว่าไม่ต้องรู้ละเอียดอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ก็ได้แค่รู้ว่าสภาวะทั้งหลาย เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วก็หายไปรู้แค่นี้พอแล้วพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วเนั้นที่หลวงพ่อพูดออกไปรายละเอียดให้ฟังนี่เพื่อให้เห็นว่าธรรมะจริงๆลึกซึ้งมากเลยประณีตลึกซึ้งมากลึกซึ้งถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยคิดจะไม่สอนเบื้องต้นท่านคิดจะไม่สอนอันนี้เป็นลักษณะ ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของพระเจ้าด้ยนะเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยพระอราหันต์ทุตองเนี่ยตอนที่บรรลุครั้งแรกเนี่ยตอนที่บรรลุใหม่ๆไม่คิดจะสอนเหมือนๆกัอนตับงนั้นเลยเพราะรู้สึกว่าธรรมะอันนี้ประณีตลึกซึ้งเหลือเกินสอนไปก็คงเหนื่อยเปล่าใจจะคิดอย่างนี้นะสอนไปก็เหนื่อยเปล่าเหมือนสีซอให้กวายหูหนวกฟัง นะไม่ใช่กายหูที่แจ่มใสฟังชัดสีซอให้กายหูหนวกฟังนะไม่มีประโยชน์อะไรแต่พอผ่านเวลามาช่วงหนึ่งนะใจมันก็เริ่มนึกขึ้นได้เมื่อก่อนเราก็เหมือนเขาเนี่ยว่าทำไมเราผ่านมาจนได้เพราะฉะนั้นคนอื่นซึ่งมีบุญวาสนาบารมีก็ยังมีอยู่ถ้าเขาได้ฟังธรรมอย่างนี้เขาก็จะพ้นได้เหมือนกัน ใจมันจะเกิดกรุณาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยตอนที่ท่านเข้าใจธรรมะกันใหม่ๆท่านไม่อยากสอนหรอกรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเปล่าแต่พอผ่านมาช่วงหนึ่งความการุณาในใจจะทํางานแล้วสร้างสั ญ, ญลักษณ์ของความการุณานี่ก็คือพรอมเพราะพรอมมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา เราว่าพระพรหมมาราธนาให้แสดงธรรมถามว่าถ้าพระพรหมไม่อาราธนาพระพธทธเจ้าจะแสดงธรรมไหมแสดงแน่นอนเพราะท่านสร้างบา ร, รมีมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้รับพยากรแล้วจะได้เป็นสัมมาสัมพุทธะเมื่อถึงพรหมไม่อาราธนาท่านก็แสดงนีแต่พรหมเนี่ยนะอาจจะมีพรหมจริงๆก็ได้แต่ที่แน่นอนก็คือมันคือสั ญ, ญลักษณ์ของความกรุณา นท่านก็พยายามย่อยธรรมะธรรมะสำหรับบางคนละเอียดถึงจะรู้เรื่องบางคนหยาบๆกพรารู้เรื่องงั้นท่านจะแจกแจงธรรมะให้ธรรมะอย่างนี้กับคนนี้ให้ธรรมะอย่างนี้กับคนนี้พวกเทวดาเนี่ยพวกที่เจ้าสอนอภิธรรมให้อย่างพวกเราเรียนอภิธรรมเราปวดหัวเราเรียนแค่พระสูตรก็าคนถูกคนได้ละ นั้นแต่ละคนนท่านสอนไม่เหมือนกันท่านถึงได้ชื่อว่าพักวะโตผู้จําแนกแจกธรรมจําแนกไม่ใช่แจกส่งเดชมีอะไรก็แจกเหมือนกันหมดไม่ใช่แต่ท่านจําแนกคนจําแนกประเภทนะแล้วก็แจกธรรมะให้พอดีเมื่นที่หลวงพ่อพูดลงไปลึกหน่อยเนีเพราะบางคนมันอยากเรียนแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ต้องการขนาดนี้น ของเราเรียนง่ายๆเลยนะค่อยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วคอยรู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่มีเลยความรู้สึกที่เกิดแล้วไม่ดับสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นค่อยๆหัดรู้หัดดูไปไม่ใช่ของยากตอนภิกษุ นะปัญจวัคคีตอนปัญญะวัคคีฟังธรรมมาของพระพุทธเจ้าพอฟังแล้วโกนฐัญญะคนเดียวนะครั้งแรกกันแรกที่เทนะธรรมจักรนะียโกนฐัญยะฟังครั้งเดียวได้พระโสดาบันตรงที่โกนฐานยะได้พระโสดาบันนะโกนฐานยะเกิดความรู้ขึ้นมาข้อหนึ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดตับเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไรซ้ำติงก็คือสภาวธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนั่นเองมีความเกิดขึ้นนั่นเป็นสภาวธรรมที่ยังเกิดดับเรียกสังคตาธรรมธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่นะคือพระนิพานอสังคตาธรรมงั้นพระโสดาเห็นอะไรเห็นว่าสภาวะทั้งหลายที่มันเกิดเนี่ยดับทั้งสิ้นเห็นอย่างนี้นั้นก็จะรู้เลยว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเที่ยงแท้ตาวรนตัวเรานี้ก็ไม่มีความเที่ยงแท้ถาวร อ, อะไรหรอกเป็นของยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างร่างกายเราก็ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวความรู้สึกนึกคิดมันก็เกิดนะจากเหตุปัจจัยหลายอย่างมากระทบกันจิตใจมันก็อาศัยรูปนี้เกิดขึ้นมานะใส่วัตถุวัตถุก็อาศัยจิตทําให้ปรากฏขึ้นมา อิงอาศัยซึ่งกันและกันไปเนี่ยเราค่อยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งในใจมันเห็นความจริงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพูดง่ายๆสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแต่ละวันลองสังเกตดูจริงหรือไม่จริงสังเกตนะไม่ใช่คิดคนละอนกันคิดเอาเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดยัง กิเลสหนังไม่ตลกหรอกคิดเก่งๆแล้วสนองกิเลสอีกกายเป็นกูเก่งซะอีกนะแล้วต้องเห็นเอาการเห็นสภาวธรรมทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงนะก็คือเห็นมันเป็นไตรลักษณ์คาว่าวิปัสนากรรมฐานนะคำว่าวิปัสนาเ น, นะนี่ยนะปัตสนะแปลว่าการเห็นแบบวิแปลว่าแจ้ เห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะั้นมีสติอย่างเดียวยังไม่ขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ได้จะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลางคือมีสมาธิที่ถูกต้องจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องคือจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วยเป็นที่หลวงพ่อย้าแล้วย้ำอีกว่าต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะ จิตที่เป็นผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางว่าจิตเป็นผู้รู้ปุ๊บสภาวะทั้งหลายจะแยกตัวอไปอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยจิตเป็นคนรู้ปุ๊บจะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคนละส่วนกันกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเป็นคนละอันกันความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายแล้วว่าเห็นี่ร่างกายก็ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ในร่างกายก็ส่วนหนึ่ง จิตที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนีคยค่อยๆแยกสภาวะออกไปนี่พอมีความสุขเกิดขึ้นก็มีสภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาเกิดราคะยินดีพอใจในความสุขความราคะเนี่ยก็เป็นสภาวะอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขก็เป็นสภาวะอีกตัวหนึ่งเรียกว่ากลุ่มสังขารขั น, นอยู่ในกลุ่มของสังขาร จิตเป็นคนรู้อยู่ในกลุ่มของวิญญาณขันธ์เนี่ยที่เรามีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมานะเราจะเริ่มแยกขันธ์ได้นั่งอยู่เห็นรูปมันนั่งใจเป็นคนดูสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายนะใจเป็นคนรูนะ้เห็นเลยสุขทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่กายด้วยนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตด้วย ค่อยๆดูไปโลภโกรธหลงนะก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตนะเป็นสภาวะอีกกลุ่มหนึ่งเียนะกลุ่มของสังขารเนี่ยเฝ้ารูนะ้เฝ้าดูนะเราจะเห็นนะ่มันแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถูกแยกเป็นส่วนๆได้เพราะมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าขาดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง การแยกขันจะเกิดขึ้นไม่ได้แยกธาตุแยกขันทำไม่ได้นั้นนำรูปปริเฉทยานเนีเป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ได้เลยจะแยกรูปแยกนามได้ต้องเห็นรูปมันนั่งนามคือใจเป็นคนรู้อย่างแยกแยกรูปแยกนามรูปมันหายใจใจเป็นคนรู้อย่างน้เรียกว่าแยกรูปแยกนามจิตใจเป็นนามหรือความรู้สึกต่างๆมันเป็นนามเหมือนกัน แต่เป็นนามคนละชนิดกับตัวผู้รู้จิตผู้จิตนั้นเป็นนามเรียกว่านามจิตความรู้สึกในึคิดทั้งหลายเป็นอีกนามหนึ่งเรียกว่านามเจตสิกโคนละนกันมันก็แยกออกจากจิตโกรธกับจิตนะียเป็นโคนละอนกันโลภกับจิตก็เป็นโคนละนกันฟุ้งซ่านกับจิตนะียเป็นโคละนยังกําลังโกรธอยู่เนี้ยจิตเป็นคนดูนะมันจะเห็นเลยความโกรธกับจิตนะีไม่เกี่ยวข้องกัน หรือความโลภเกิดขึ้นสติรู้ว่ามีความโลภจิตมีสมาธิตั้งมั่นเป็นคนดูมีสมาธิถูกต้องปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นเลยทั้งโลภทั้ง โ, รงโกรธทั้งหลงหรืออะไรที่ถูกรู้ถูกดูเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองเหราะฉันการที่เรามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้เนี่ยเรียกว่าเรามีสัมมาสมาธินะ สมาธิอย่าไปแปลว่าสงบนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะเอตูพจนานุกรมเจ้าคุณประยุทธน์น่ะสมเด็จประยุทธ์น่ะเขียนไว้ชัดเลยสมาธิคือความตั้งมั่ น, นความตั้งมั่นติดน้ําตั้งอยู่บนโต๊ะเรียกว่าสมาธิไหมไม่ใช่เป็นความตั้งมั่นของจิตบางคนจะพูดถึงนิพพานนิพพานนิพพานาไปไว่าดับไปไว่าเย็นอะไรเงี้ย ไฟดับนะก็ไฟนิพพานนะอุ่นข้าวต้มมาร้อนๆแล้วนะต้มข้าวต้มมาร้อนๆทิ้งไว้แล้วมันเย็นข้าวต้มนี้นิพพานมนะั้งี้นคนละโลกกันนั่นภาษาทําให้เราหลงเท่านั้นเองคําว่าตั้งมั่นอยู่เนี่ยไม่ใช่ตั้งอย่างกติเนี่ตั้งอยู่บนโต๊ะไม่ล้มเนี่ว่ามีสมาธิเงี้ยไม่ใช่สมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิต ไม่คลอนแคลนไปด้วยอารมณ์สิ่งเราทั้งหลายมันถอนตัวออกมาเป็นแค่คนดูภาษาสมัยใหม่หน่อยคือมันไม่อินกับอะไรมันไม่อินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันตั้งมั่นออกมาเป็นแค่คนดูของเราเนี่ยเวลาจิตไปรู้อะไรมันจะอินตัวนั้นแหละมันไม่ตั้งมั่นมันถลําลงไปมันไปอินแต่ถ้ามันตั้งมั่นมันไม่อิน มันก็แค่สักว่าเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วมันถึงจะเกิดปัญญาเห็นว่าโลภมาแล้วลบไปโกรธมาแล้วโกรธไปหลงมาแล้วหลงไปสุขทุกมาแล้วก็ไปดีชั่วอะไรๆมาแล้วก็ไปสุดท้ายมันจะปิ้งขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละล้วนแต่มาแล้วก็ไปทนะั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตรงนี้แหละที่จะเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรม คือเห็นภาพรวมของจักรวาลทั้งจักรวาลเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเราเนี่ยนะตั้งแต่ตัวเร า, เาภายในนี้ออกไปยันโลกข้างนอกจักรวาลภายนอก เ, เกิดเราดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรคงที่เลยงั้นะเข้าใจลึกซึ้งลงที่จิตใจตนเองอันเดียวนี้เข้าใจโลกรพระพุทธเจ้าท่านถึงได้ชื่อว่าโล ก, กวิทูผู้รู้โลกอย่างจแจ่มแจ้ง เรงโลกภายในโลกภายนอกรู้อย่างแจ่มแจ้งหมายถึงอะไรรู้ว่าทั้งหมดนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนะี่ยพวกเราเป็นลูกศิษย์พระุทธเจ้านะหัดให้ใจมันเป็นคนดูก่อนหนะลวงพ่อเทศม่เยอะแยะเลยนะวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนะีนะ่ยมีสองวิธีหลักๆอันะหนึ่งทำฌานที่ถูกต้องนะหรฌานที่สองเนี่ยจะได้ตัวรู้มา สองถึงแปดนีมีตัวรู้อีกอันหนึ่งทําให้ได้ความตั้งมั่นชั่วขณะเรียกว่ามีคณิกาสมาธิไม่ใช่วิธีรู้สภาวะทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงสภาวะที่เกิดบ่อยคือสภาวะที่จิตหลงไปคิดนี่เกิดบ่อยที่สุดเลยวันวันหนึ่งนั้นครูบาอาจารย์จะเน้นตรงที่จิตหลงไปคิดจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้มันจะรู้ได้ทั้งวันเลยมีเยอะ ในสวดจิตจําสภาวะหลงคิดได้นะพอหลงคิดปุ๊บสติรู้ได้ด้วยตัวเองไม่เจ ต, ตนาจะรู้พระสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วพอสติรู้ทันว่าหลงคิดความหลงคิดดับปับ๊บความตั้งมั่นจะเกิดอัตโนมัติสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดอัตโนมัตินี่พยายามฝึกไปมีสตินะมีจิตตั้งมั่นแล้วมันจะมีปัญญาเห็นไตรลับในกระบวนการ ที่เราจะพัฒนาจิตใจตนเองไปสู่ความพ้นทุกข์และทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นะพวกเราจะพ้นทุกข์แต่ฟังครั้งเดียวยากนิดหนึ่งนะแนะนำให้ไปฟังหลายๆทีฟังที่หลวงพ่อสอนพวกเราวันนี้แหละฟังแล้วฟังอีกเมื่อก่อนนะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่จังหวัดอะไรหลวงพ่อจำไม่ได้นะทางเมืองชนหรืออะไระตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการ เขาไปเรียนที่เมืองกาญนะเราก็ได้เทปได้เทปในยุคนั้นยังไม่มีซีดีเป็นเทปนะั่นแหละได้เทปไปม้วนหนึ่งฟังอื่นเทปยืดเลยนะพอเทปยืดเนี่ยก็เข้าใจะว่าการปฏิบัติเขาทํากันยังไงเพะงั้นพวกเราฟังแล้วฟังอีกถึงจุดหนึ่งมึนคงไม่โง่ตลอดกาลหรอกไม่งั้น ไม่มีบุญหว่าไม่มีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสฟังธรรมก็ถือว่ามีบุญแล้วล่ะก็หันดูสภาวะแต่ละสภาวะไปแล้วก็เห็นทุกๆสภาวะเหมือนกันคือเกิดแล้วดับเหมือนๆกันดูไปอย่งนี้ น, นี้เราจะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับได้สภาวะแต่ละตัวแยกออกจากกันได้จิตต้องตั้งมั่น จิตต้องเป็นคนดูแนะนำให้ไปฟังไปดูยูทูบที่หลวงพ่อเทศไว้มีเยอะแยะนะหรือไม่มีเน็ตฟังก็เอาซีดีไปฟังมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อีกงหนึ่งท่านถึงขนาดบอกลูกศิษย์ท่านเลยนะว่าซีดีหลวงพ่อเนี่ยแผ่นเดียวนี้นะถ้าเข้าใจก็ทำที่สุดแห่งถูกได้แนะแค่แผ่นเดียวเท่านนะั้นไม่ต้องเยอะ งัเราไปฟังนะฟังแล้วฟังเองนั่งคงไม่ง่อาว่าแล้วแต่อย่าฟังแล้วคิดเอานะฟังแล้วก็คิดไปเรื่อยๆใช้ไม่ได้ฟังแล้วก็สังเกตของจริงในใจของเราเองแล้วมันถึงจะได้ของจริงดูความจริงดูของจริงเนี่ยสัมผัสสัจธรรม้วยตัวความจริงได้คิดเอาไม่ใช่ของจริงความคิดความฝันไม่ใช่ของจริงนอ่ะ มหมายเลขกสองครับส่งการบ้านในรอบปีค่ะขอหลวงพ่อช่วยแนะนำให้ลูกนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นในธรรมค่ะปฏิบัติดีขึ้นเยอะแล้วนะปีนี้รู้ไหมก็รู้แล้วมาถามทำไม เราภาวนาเ้าก็มีศีลไว้ทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆนี่ถ้าใจเราตั้งมั่นแล้วก็สติเกิดบ่อยๆเห็นสภาวะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันก็เกิดวีมุติมันก็เกิดแต่ตอนนี้จิตมันไม่เข้าบ้านรู้สึกไหมจิตมันอยู่ข้างนอก จิตมอยู่ข้างนอกก็รู้เอาวิธีทำให้จิตกลับเข้าไปทำยังไงอย่าทำอย่างที่ทำตอนนี้ถ้าทำอย่างนี้มันจะแน่นนะหายใจเฉยๆหายใจด้วยใจปกตินะจะอยู่ข้างนอกรู้ว่าใจอยู่ข้างนอกแล้วก็หายใจไปสบายๆายเดี๋ยวมันจะกลับมาเองนะจะกลับเข้ามาเองตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เพ่งอุตลุดเลย อย่าไปดึงให้มันกลับเข้ามานะให้มันกลับเองตอนนี้ใจลงไปคิดทราบไหมนะดูอย่างนี้นะดูสภาวะไปเอ้าลงไปคิดแนละวอ่านดูรามว่าทำไมหลวงพ่อรู้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเหมือนครูเห็นหน้านักเรียนก็รู้แล้วเด็กคนไหนดือ้อเด็กคนไหนไม่ดือ้ยออะไรเงี้ยมันเป็นทักษะของครูนะไม่ใช่กายสิทธิ์วิเศษอะไรนักหนาหรอกมันเรื่องง่าย ครูทั้งหลายมองหน้าเด็กก็รู้แนละ้วเด็กเป็นยังไงตอนนี้เด็กใจลอยแล้วรู้ไหม เ, เวลาเด็กเรียนหนังสือเราเป็นครเนูเด็กมันฟังเราตาแปลบๆนะแต่ใจมันลอ ย, ยครูรู้มไหมครูรูนะ้คนที่เป็นครูอย่ารู้เลยเด็กมันหลงหนะูเห็นไหมเวลาจิตมันหลงนะให้รู้บ่อยๆ แต่อย่ารักษาจิตผู้รู้นะไม่ต้องรักษาเมื่อจิตออกไปอยู่ข้างนอกก็รู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกไม่ต้องดึงคืนจิตกลับเข้ามาแล้วก็ไม่รักษาเอาไว้ปล่อยให้ทุกอย่างมันทำงานตามที่มันเป็นเรามีสติตามระลึกรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆงงแล้วรู้ไหมงงแล้วก็รู้ว่างงหัดรู้สภาวะเป็นชอ็อตชอ ช, อชอไปย่างนี้ ต่อไปหมายเลขสามสิบเจ็ดครับบางทีถามหลวงพ่อนะแล้วได้รับคำตอบเนี่ย น, นะยังงงไปอีกพักหนึ่งนะกว่าจะเข้าใจครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลหนะลวงปู่ดุลสอนธรรมะให้บทหนึ่งบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ท่านก็ถามต่อเข้าใจไหมหลวงพ่อก็เรียนท่านไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจําไว้ท่านบอกเออจําไวนะ้นะเนใช้เวลาย่อยธรรมาของท่านเนี่ยตั้งยี่สิบปีใช้เวลาทั้งนานเพราะั้นมาสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วเรางง ง, งอย่าไปคิดเอานะยิ่งคิดยิ่งงงนะหารู้สภาวะของเราต่อไปในจุดหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมาโอ้หลวงพ่อสอนมันอยู่ตรงนี้เอง คนต่อไปเบอร์อะไร น, นะหมายเลขสามสิบเจ็ดครับโยมใช้การเคลื่อนไหวมือและพุทโธเป็นวิหารธรรมตอนนี้จิตเฉยเฉ ย, เฉยไม่อยากยุ่งกับโลกเห็นกิเลสได้ขอกราบขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาค่ะเห็นกิเลสบ่อยไหมไม่ไม่ต้องใช้พยักหน้าไม่ต้องพูดไม่บ่อยนะที่ไม่บ่อยเนี่ยเพราะเราไปเพ่งเอาไว้ ขยับมือเราก็ยังไปเพง่งลองขยับให้หลวงพ่อดูสิเห็นไหมว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่นิ้วต่อไปเวลาขยับเงนี้ขยับไปขยับนียแล้วจิตมันไหลไปอยู่ในนิ้วนะก็รู้ทันนะแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปเพลินอยู่ที่นิ้วยะอย่างเนี้ยมันคือการเพง่งการเพ่งเนี่ยนะใจมันจะเฉยเฉยไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาว ไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครไม่ค่อยมีกิเลสให้เห็นเพราะมันไปติดนิ่งๆอยู่นะงั้นวิธีปฏิบัติจะทํำยังไงเนี่ยเราขยับเนี้ยขยับได้ไหมขยับได้เห็นที่โยมทําเนี้ยทําได้แต่พอเราจงใจทําเนี้ยใจมันแน่นๆขึ้นมารู้ว่าใจเราแน่นๆละจงใจมากไปขยับขยับไปนะใจเราเพลินไปอยู่ที่นิ้วรู้ว่าใจเราไหลไปอยู่ที่นิ้ว ขยับไปแล้วรู้ทันใจตัวเองไปแล้วเราจะพัฒนาถ้าขยับแล้วก็บังคับใจเครียดๆอยู่ตลอดใช้ไม่ได้ขยับไปแล้วก็เพลินอยู่กับนิ้วก็ใช้ไม่ได้ขยับแล้วรู้ทันมาตอนนี้ใจลงไปอยู่ที่นิ้วแล้วใจหนีไปเรื่องอื่นแล้วอะไรงนี้ขยับแล้วรู้ทันใจตัวเองนะแล้วมันจะพัฒนาได้ของโยมนะดูจิตได้จิตวอกแวกวอกแวกเก่ง นั้นดูจิตได้ดูจิตได้ก็ดูไปเลยแต่ว่าเราขยับไปแล้วจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้เอานะนั่งเถอะนัการดูจิตนี่ยดูได้หลายอย่างนะยอมนั่งเถอนะนั่งยืนนานอย่าเมื่อยอันแรกดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโลภรู้สึกโกรธรู้สึกห ล, ลงอีกอันหนึ่งดูตัวพฤติกรรมของจิต จิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สมัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจนะรู้พฤติกรรมของมันนะหรือบางทีมันก็ไปแทรกแซงอารมณนะ์เจออารมณ์อันนี้ไม่ชอบเจออารมณ์นนี้ชอบเนะีนะ่ยแทรกแซงเข้าไปแทรกแซงพยายามไปละอันนี้พยายามไปรักษาอันนี้นะรู้ทันพฤติกรรมของมันนะงั้นเวลาที่เราดูจิตดูจิตนะีดูได้สองอานนะหนึ่ง ดูความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันที่สองดูการทำงานของจิตโดยตรงเลยดูได้หลายอย่างสนุกนะยิ่งภาวนาไปเรื่อยความรู้ความเข้าใจมันกแตกฉานออกไปลึกซึ้งประณีตสนุกลวงพ่อภาวนานะจะต่างกับพวกเราส่วนใหญ่หลวงพ่อภาวนาแล้วหลวงพ่อสนุกนะพอใจที่ได้ภาวนาได้กว่ามีฉันทะ ส่วนพวกเราได้ไม่อยากภาวนาหรอกแต่อยากได้มากผลนิพานอยากมีความสุขเราอยากได้ผลเราไม่ได้พอใจที่จะทำเหตุอยากได้ผลเรียกว่ามีตัณหาพอใจที่จะทำเหตุที่ดีเรียกว่าฉันทงไม่เหมือนกันนะมีตัณหานะโลภขึ้นมาแล้วพยายามเดินโจงกรมหามรุ่งหามค่ำเลยไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความอดทนอย่างเดียวแหละแต่ถ้ามีฉันทาเนี่ย สบายใจมีความพอใจที่จะเจริญสติจเจริญปัญญาพอใจที่จะได้ฝึกจิตฝึกใจตัวเองพอใจที่จะได้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจตัวเองมันพอใจอย่างนี้นมันจะขยันดูวิริยะจะเกิดแต่ถ้าเรามีตัณหาเราอยากได้ผลอยากได้ผลแต่ขี้เกียจทำเหตุวิริยระก็ไม่มีเพราะมึงขี้เกียจแต่ถ้ามีฉันทะวิริยามจะเกิดเอง ฉันทะคือพึงพอใจที่ได้ทำเหตุไม่คํานึ่งหรอกว่าจะได้ผลเมื่อไรถ้าอยากได้ผลนะ่เรียกว่าตัณหานะถ้าพึงพอใจที่จะทำเหตุที่ดีเรียกว่าฉันทะไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อนะเห็นไหว่าใจเรามีความทุกข์ใจเรามีเปลือกหุ้มอยู่นะมันคล้ายๆมันถูกขังอยู่ข้างในนะดิ้นขลุกขลักห า, ขาทางออกไม่ได้ ในใจมันรู้แล้วว่าจิตเนี้ยตกเป็นธาตุจิตเป็นฉเฉลยนะถูกขังอยู่ถ้าเราปราบใดที่เราแหกคุกไม่ได้นะเราไม่เลิกปฏิบัติหรอกเราก็ดูไปเรื่อยๆนะว่ามันถูกขังอยู่ตรงไหนมันทำไมมันโดนขังอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูมไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งก็ทำลายคุกมันออกมาแต่ถ้าอยากพ้นทุก ก็ดิ้นรนนะแต่ไม่ดูว่าเหตุผลของมันคืออะไรไม่ไปล้าที่เหตุจะมุ่งไปล้าที่ผลอันนั้นไม่มีวันสำเร็จล้าวลาที่เหตุไม่ใช่ล้าที่ผลเนี่ยหลักของธรรมะนะพยายามไปสังเกตของจริงๆดูเอาคนที่สามวันน<า>ี้เทศใช้เวลาเยอะแฮะหมายเลขหนึ่งร้อยสิบสี่ครับ ส่งการบ้านครั้งแรกพึ่งเริ่มปฏิบัติทุกวันปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิขอคําแนะนําหลวงพ่อว่าควรจะไปทางไหนถึงจะเหมาะกับตัวข้าพเจ้าค่ะที่ข้าพเจ้าถามข้าพเจ้าก็ตอบว่าถูกแล้วนะที่ที่ข้าพเจ้าทำนั้นนะ่ะทำมาถูกแล้วละ่ะจิตเรามีพัฒนาการแล้วเห็นได้ด้วยตัวเองใจเราค่อยๆตื่นขึ้นมา เราเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเราก็ค่อยรู้เอาะร่างกายเคลื่อนไหวก็ค่อยรู้เอาสามารถทําได้อยู่แล้วไปทําต่อที่ทําอยู่นะถูกแล้วมีผิดเล็กๆน้อย ๆ, ๆก็เป็นเรื่องธรรมชาติเช่นวันไหนขยันจะภาวนานะใจก็แน่นๆขึ้นมานะเพราะว่าไปบังคับมันไปวุ่นวายแทรกแซงมันถ้ารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจยอย่างที่ใจเป็นจะไม่แน่นหรอกนะที่แน่นเน่ยเพราะว่า พยายามจะรู้ตลอดเวลาพยายามจะไม่ให้เผลออะไรเงี้ยมันจะอึดอัดอย่าไปพยายามเลยเผลอก็เผลอแต่เผลอแล้วรู้ให้ไหวหน่อยวิธีที่เผลอแล้วรู้ให้ไหวหน่อยก็คือมีเครื่องอยู่เช่นเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเงี้ยเวลามันเผลอไม่นจะลืมพุโทโธไปคิดเรื่องอื่นนะพอมันคิดเรื่องอื่นสักแป๊บหนึ่งเราก็จะนึกเอ้ยลืมพุโทโธแล้วหลงล ะ, ะมันจะค่อยๆรู้ตัวได้เร็ว หลงได้สั้นหลงสั้นหลงนะรู้ตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมีเครื่องอยู่แล้วก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราแต่ไม่ได้ไปเพ่งเครื่องอยู่นะถ้าเพ่งเครื่องอยู่จะอึอดอัดแค่มีเครื่องอยู่เช่นหายใจไปรู้สึกตัวไฟพูดโธไปรู้สึกตัวไปอะไรอย่างนี้แล้วใจมันเป็นยังไงคอยรู้เอาไปทําต่อไปที่ทําอยู่ใช้ได้นะดีเรียนได้เร็วอยู่ หมายเลขหนึ่งร้อยสี่สิบสามครับรู้สึกเหมือนถูกแทรกแซงสะกดใจให้มีแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิ <c oughs> และหลงขาดสติจะ <c oughs> ทำเช่นไรคะใครสะกดนะไม่มีใครก็สะกดเราหรอเราไม่เคยชินที่จะมีสติมันก็ไม่ค่อยมีสติไม่เคยชินที่จะมีสมาธิมันก็ไม่ค่อยมีสมาธิ จุด อ, อนของหนูก็ออย่างฟุ้งซ่านเยอะนะใจฟุ้งซ่านใจมีโมหะยังฟุ้งเก่งงั้นเราพยายามหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปอนาปนาสติจะพ่วงพุทธโธเข้าไปได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยอนาปนาสตินะจะช่วยเรื่องเคลิมเค ล, ล, ลิมหลงหลงเบลเบลอะไรเงี้ยได้ดีนะยามหายใจไว้แล ร, รู้สึกหายใจเรารู้สึกไป ใจจะได้ตั้งมั่นมีเร็่ยวมีแรงของหนูมันมันฟุ้งแล้วก็ถ้าไม่ฟุ้งก็บังคับเอาไว้นะมันสุดส่งมันเบี่ยงไปเบียงมาอยู่สองตัวนี้เป็นหลักพื้นของจิตมันฟุ้งซ่านเกงนะันไม่ต้องตกใจหรอกคอยรู้ทันคอยรู้สึกไปาใจเข้าพูด ใ, ใจออกโทรใจเราฟุ้งซ่านรู้ทันาใจเข้าพูด ใ, ใจออกโทรใจเราสงบเรารู้ทัน หายใจเข้าพูดออกโทใจไม่สบาย อ, อึดอัดรู้ทันหายใจเข้าพูดธห้ยใจออกโทใจมีความสุขรู้ทันนะรู้ทันอย่างเนี้นนะรู้ไปเรื่อยรู้ไปสบายสบายของหนูใจมันฟุ้งแก่งั้นต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่ๆไปดูมันเฉยๆเนี่ยมันก็กระโจนลงไปกระโจนตามอารมณ์ไปพยายามอยู่กับเครื่องอยู่เมื่อเช้าระหว่างเดินไปในป่าหน้าวัด พบสภาวะรูปและสภาวะนามเกิดดับสองสามขณะขณะนั้นพบว่าทุกความทุกสาหัสที่เจอดับไปแต่พอออกนอกวัดแรงของจิตไม่มีอควรปฏิบัติอย่างไรคะก็มีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะรู้ไปเรื่อ ย, อยมันจะได้มีกําลังของหนูมันยังไม่มีกําลังนะแตมยังไม่ค่อยมีกําลังมันยังฟุ้งเก่งอยู่ มาอยู่ในวัดเนี่ยพลังงานที่ดีมันเยอะสมาธิเราก็เกิดง่ายหน่อยออกไปอยู่กับโลกข้างนอกมันเต็มไปได้วยคนหลงกรนะแสจิตที่หลงมันก็ดึงดูดให้เราหลงตามมันไปง่ายหน่อยเราอยู่ใกล้คนทึ่มีสติเราก็จะมีสติง่ายเราอยู่ใกล้คนฟุ้งซ่านเราก็จะฟุ้งซ่านง่ายเป็นเรื่องธรรมดาใจมันดึงดูดกัน พระพุทธเจ้าถึงบอกไงเราครบคนอย่างไงเราก็จะเป็นคนอย่างนั้นแหละงั้นเราก็เลือกนะอย่างเราไปที่วัดเนี่ยรู้สึกตัวได้ง่ายภาวนาง่ายเพราะมันเต็มไปได้วยคนรู้สึกตัวเต็ไมไปด้วยคนภาวนานะ้ไปอยู่ในศูนย์การค้าไปดูเขาเดินขบวนอะไรเงี้ยมันมีแต่คนโกรธมีแต่คนหลงอะไรเงี้ยไม่สงบอะ่ะมันดูอะไรไม่รู้เรื่องอ่ โลกมันก็ดึงดูดเราฟุ้งซ่านไปของหนูไปอยู่กับเครื่องอยู่ให้ดีนะแต่ไม่ได้บังคับตัวเองว่าต้องอยู่นะไม่งั้นมันยังเดินปัญญาไม่ได้จริงๆหรอกมันยังฟุ้งซ่านอยู่นะไปที่วัดมันสงบง่ายขึ้นใช่ไหมไม่เห็นสภาวะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นออกไปอยู่กับโลกวุ่นวายแล้วก็เห็นอะไรไม่ชัดอีกนี่เราจะอยู่วัดทุกวันเนี่ยทําไม่ได้ เราก็พยายามเอากายเอาใจแล้วเราเป็นวัดของเราเองหลวงปู่ฟั่นท่านสอนวัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจตัวเองคอยวัดใจตัวเองไปเรื่อใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วครยรู้ไปนั่นแหละเรียกว่าวัดท่านสอนอย่างนี้นะงั้นหราไปคอยรู้ของตัวเองไปหมายเลขร้อยสี่สิบเครับเคยเจอเหตุการณ์ที่จิตแสดงธรรมชาติเดิมสองครั้ง ครั้งแรกความรู้สึกเหมือนคลืน่นและเห็นทุกอย่างเป็นช็อตละเอียดเหมือนภาพสโลโมชั่นครั้งนั้นทำให้รู้ว่าทุกอย่างจบทุกอย่างเป็นธาตุธรรมชาติแม้แต่ธาตุรู<ฮ>รร้รอบสองตอนนั่งกรรมฐานพบจิตจับสภาวะจิตตัดสภาวะและจิตที่ดูแล้วจิตย้อนกลับมาหาว่าจิตตัวที่ดูเป็นตัวที่เท่าไหร่เกิดความวาบนจุดนั้นและรู้ว่า ตัวใดก็ตัวนั้นมันเกิดดับเปลี่ยนทุกตัวไม่มีเราทั้งสองครั้งจะเกิดสมาธิแบบรุนแรง อ, อยู่ประมาณอาทิตย์กว่าและจิตก็ค่อยๆหุบลงมาสู่ความปกติแต่แต่เป็นความปกติที่เหมือนมีสมาธิออตโต้เกิดขึ้นจนตอนนี้หลังครั้งที่สองภายในรู้สึกตัวถึงตัวสันกลางอก พร้อมๆกับรู้ลมหายใจตลอดอเวลาประมาณหนึ่งเดือนแล้วยังต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปสภาวะที่จิตโชธรรมชาติเดิมทุกครั้งความรุนแรงจะเหมือนกันหรือไม่เพราะครั้งที่สองรู้สึกเหมือนรู้ลงที่เดิมแต่ลึกซึ้งเท่าเดิมครับอบอกไงดีสังเกตดูเถนะ เวลาเผลอๆมันมีเราไหมตัวนี้ต้องสังเกตให้ดีนะอาการที่แสดงขึ้นมานั้นก็เป็นแค่อาการที่จิตแสดงขึ้นตัวสำคัญก็คือล้างกิเลนได้จริงไหมถ้ามันได้ธรรมะขั้นที่หนึ่งนะมันจะไม่มีกระทั่งเงาของความเป็นตัวเรานะมันจะขาดเด็ดขาดเลยงั้นเราสังเกตใจเราเวลาเผลอๆนะถ้าอยู่ๆไปมองอย่างนี้นมันไม่มีหรอก เวลาเผลอๆดูซิว่ามันมีมีเราโผล่ลขึ้นมาไหมแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยถ้ามันเห็นได้ตัวกลางอกหมุนๆอยู่เนี่ยเห็นไปได้ๆมันจะเหนื่อยนะถ้ามันเหนื่อยเนี่ยที่พักเรามีที่เดียวคือการทําสมาถะกรรมฐานตัวอื่นใช้ไม่ได้เลยเป็นนอนไปอะไรก็ไม่หายบาที่นอนก็ยังเห็นมันหมุนอยู่นะงั้นต้องทําสมถานะไม่งั้นปัญญามันล้มหน้าไป อาการที่ปัญญารําหน้าจะเป็นอย่างที่หนูเป็นตอนนี้สังเกตไหมมันยังเป็นเราอยู่เวลาคิดมันมีเราสังเกตให้ดีไปดูนะที่ทำอยู่นะดีแล้วละ่ะขยันใช้ได้แต่ว่าใจเย็นๆรู้มันสบายสบายไปได้แล้วถ้ามันเห็นในตัวนี้หมุนมากๆ ม, ม, มันเหนื่อยกลับมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้ ให้ใจได้พักพอ ใ, ใจได้พักแล้วมันย้อนไปดูใหม่มันจะพัฒนาขึ้นหมายเลข153ครับลูกเจริญภาวนาและลึกรู้จิตที่เคลื่อนไหวไปตามอายตนะทั้งหกบางครั้งก็ตามทันจิตที่เคลื่อนไหวขอหลวงพ่อโปรดเมตตาชี้แนะการภาวนาขั้นต่อไปคะ่ะทำอย่างนี้แหละนะมีอยู่ขั้นเดียวนี้แหละ ถ้าเห็นจิตมันทํางานแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆตอนไหนดูจิตไม่ได้มันดูกายบางทีจิตมันหายไปก็ดูกายตอนไหนทําอะไรไม่ถูกก็ทําสมถะสมถะจําเป็นควรจะทําทุกวันนะไม่งั้นเดี๋ยวสมาธิเราไม่พอจิตมันจะหลอนเนา ะ, ะเจริญปัญญาไปรวดเดี่ยวเนี้ยไม่ได้ทําสมาธิเลยเนี่ยถ้าสมาธิไม่พอในระหว่างจเจริญปัญญา สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นวิปัสสนบากิเลตจะหลอกเราอย่าตอนนี้ใจเราไหลไปคิดทราบไหมเพ่งอยู่ทราบไหมนะอย่าไปเพ่งเพ่งแล้วไม่ได้อะไรนอกจากความลำบากนะการเพ่งเราไม่ได้อะไรนอกจากความลำบากการที่เราหลงไปคิดเราไม่ได้อะไรหรอกนะมันก็เพลินๆไปเท่านั้นเอง งั่นใจหลงไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งอยู่รู้ทันนะใจเป็นยังไงรู้อย่างที่เขาเป็นไม่บังคับให้มันนิ่งๆนะตอนนี้แล้วบังคับอีกแล้วนะอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วมีสติตามระลึกรู้อย่างที่มันเป็นนะใจไหลแวบรู้ว่าไหลแวบนะใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆนะไม่รีบร้อนที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ ดีขึ้นเยอะเลยค่อยๆดูค่อยๆสังเกต ไ, ได้ก้าวหน้าต่อไปอีกอย่าพปเพ่งนะเพ่งก็ไม่ได้อะไรหมายเลขหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดครับขาวก่อนหลวงพ่อบอกว่าปัญญาล้าไปให้ทำความสงบเพิ่มแต่ถูกทางโลกดึงไปและถามผู้ช่วยสอนท่านบอกทำความสงบผิด จะกลับไปทบทวนวิธีใหม่การปฏิบัติอื่นพอเข้าใจการกลับมาอยู่ปัจจุบันเห็นตอนกฎแต่โดยรวมเพ่งไว้ครับถูกที่พูดมาถูกแม่เลยรู้สบายๆนะรู้อย่างที่มันเป็นว่าใจเราเคลื่อนไปเรารู้ทันนะยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นอันตโนมัติสังเกตไหมใจมันชอบไหลไปคิดแวบแวบ นี่เวลากลัวมันไหลไิขีก็ไปนั่งเพ่งมันก็นะนผิดอยู่สองอันนะหนึ่งหลงไปอหนึ่งเพ่งเอาไว้นะกอคอยรู้ทันจิตมันหลงไปก็รู้ว่าหลงจิตไปเพ่งอยู่รู้ว่าไปเพ่งรู้อย่างที่มันเป็นที่ฝึกอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วแต่ก่อนนะใจมันปัญญามันล้าไปตอนนี้สมาธิมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วละดี เห็นไหมร่างกายยกมือไหว้เห็นไหมตอนที่หลวงพ่อทักนะว่ายกมือไหว้อะมันหลงนี่เราดูเป็นช็อตช็อตชอตไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ต้องรู้ตัวตลอดเวลานะหลงก็รู้ว่าหลงไปเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้ว่าหลงตัวอย่างนี้ได้ได่อๆสบายๆดีขึ้นเยอะแล้วล่นะตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติต่อไปดี หมายเลขหนึ่ง้อยหกสิบเจ็ดครับคนสุดท้ายครับไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาปีครึ่งรู้สึกรู้สึกจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจึงมีความกังวลใจเกี่ยวกับการภาวนาขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำการภาวนาต่อไปควรต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่คะ่ะ ที่เราภาวนาช่วงนี้นะเราดีขึ้นแล้วนะใจมันปลอดโปร่งมันสบายกว่าเมาื่อก่อนใจที่ธรรมชาติที่สุดอย่างขน้นได้ยินไหมใจที่เป็นธรรมชาติอย่างที่เป็นตอนนี้มันเป็นธรรมชาติดีหน้าที่เราก็คือพอใจเราเป็นธรรมชาติธรรมดายอย่างนี้นะก็สังเกตไป ไม่มีอะไรที่ผ่านเข้ามาแล้วคงที่อยู่ความรู้สึกสุขเกิดแล้วก็หายไปความรู้สึกทุกข์เกิดแล้วก็หายไปความโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็หายไปเนะีนะ่ยทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้เกิดแล้วก็หายไปทั้งหมดเนะี่ยดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆนะด้วยใจสบายอย่างนี้แหละดีที่ปฏิบัตินี่ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูก ถ้าปฏิบัติผิดมันจะเครียดเครียดนะเพ่งเงาอนะไรงีนะ้ใช้ไม่ได้นะนะดีแล้วล่ะลูกชายอายุสิบเอ็ดขวบตอนนี้ชอบต่อยตีกับเพื่อนที่โรงเรียนและถูกพักการเรียนบ่อยๆควรจะสอนเขาอย่างไรดีคะหลวงพ่อไม่เคยมีลูกอ่ะไม่รู้จะทำยังไงเนาะลองไปถามพวก แนแนวอ่าจารย์แน่แนวอะไรพวกนี้นะว่าเด็กอายุขนาดนี้อารมณ์เป็นอย่างนี้อะไรเงี้เกิดจากอะไรจะแก้ไขผ่อนปลนได้ยังไงไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าถ้ามาให้หลวงพ่อสอนนะเดี๋ยวมันมันต่อยหลวงพ่อหลวงพ่อสอนเด็กๆไม่เป็นหรอกไม่เคยเลี้ยงเด็ก แต่อันหนึ่งนะก็คือลูกเรามีปัญหาใจเราทุกไหมใจเราทุกเราเรียนของเราใจเราใจเราเป็นกลางลวะเนียมันจะมีสติปัญญามันจะไปดูว่าทำไมลูกเราถึงเป็นอย่างนี้ลูกเรามีปมเด่นยังไงมีปมด้อยยังไงผมเด่นเช่นอยากจะแสดงความเป็นซุปเปอร์แมน เป็นคนเก่งอะไรเงี้ยเหนือคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกปมเด่นหรือมีปมด้อยเช่นขาดความอบอุ่นอะไรเงี้ยก็เลยอารวาสให้คนสนใจอะไรเงี้ยเนี่ยเราต้องไปดูว่าจริงๆเป็นยังไงนะนี่หลวงพ่อไม่ได้เจอเด็หลวงพ่อก็เลยไม่รู้หรอกเนี่ยถ้าเรารู้สาเหตุเ้าเราก็แก้เคยมีนะคนนึงนะเอาลูกมาให้หลวงพ่อเห็นนะ บอกลูกดื้อที่สุดเลยนะทำอะไรก็บอกอะไรก็ไม่เชื่อเลยสักอย่างนะแล้วก็หน้านิ้วคิ้วก็หมดใส่ลูกนะด่าลูกต่อหน้าหลวงพ่อเลยแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าจะแก้ปัญหายังไงหลวงพ่อบอกแก้ที่แม่มันนะ <c oughs> <c oughs> มีอารมณ์ไม่สบายนะแล้วก็ระบายใส่ลูกตลอดอย่างเงี้ยออกไปกอดลูกให้เยอะๆหน่อยให้รักลูกให้เยอะๆหน่อย พอเด็กมันได้รับความอบอุ่นนะมันก็ดีขึ้นมื้อเราต้องไปดูเหตุผลนะที่ทำไมเด็กใช้ความรุนแรงไปดูเหตุผลของเขาขเข้าใจเหตุผลของเขาจะปรับยังไงจะแก้ยังไงค่อยดูอีกทีหนึ่งมีนะบางคนบางคนนะเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเยาวชน เด็กมีปัญหาเด็กอะไรเงี้ยนะเขาไปให้คำปรึกษาพอเจอวันวันหนึ่งเจอเด็กมีปัญหาเยอะเลยตัวเองเครียดตัวเองภาวนาไม่เป็นดูจิตใจไม่เป็นกวาดขยะในใจไม่ออกกลับมาบ้านเนี่ยเอาความเครียดกลับมาไปสงเคราะห์เด็กอื่นนะกลับมาบ้านเนี่ยด่าลูกด่าสามีด่าอะไรอุตลุดเลยวันหนึ่งเพื่อนก็เตือน บอกคุณ๋ยวไปว่าสามีตลอดเวลาสิลองฟังเขาพูดบ้างเขามีเหตุผลอะไรของเขาฟังของเขาบ้างแกก็ได้ความคิดใหม่กลับมาบ้า น, นก็บอกสามีคุณคุณมีอะไรอื่นอาจไม่พอใจคุณพูดมาเลยฉันจะฟังวันนี้จะฟังสามีถอนใจเรืองเลยแหมดีจังเลย ผมนะ่ะอาดอั้นมานานแล้วเนี่ยอยากจะพูดมานานแล้วแค่นี้เองอ่นะยายคนนี้สติแตกแล้วชี้หน้าสามีอ๋อไอ้แก่เดี๋ยวนี้ปากวางนี้เหร อ, อ ย, ยังพันธุันจะบรรยายเลยนะว่าคับข้องใจยังไงนะคือตัวเองนะรุกรานรุกรานเยอะปรากฏว่าทั้งลูกทั้งสามีเนี่ยพากันหนีไปหมดเลยเนะหลืออยู่คนเดียวเลย เพราเวลาที่เรามีปัญหาในบ้านเราอะคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ของคนจีนนี้คนเดียวเวลาเรามีปัญหากระทบกระทั่งในบ้านเนี่ยใจเย็นๆแล้วลองดูเหตุผลกันทําไมเขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาพูดอย่างนี้ทําไมเขาคิดอย่างนี้อย่างวันเนี้ยช่วงเนี้ยเด็กจรุนแรงก้าวร้าวผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกตกใจนำไมลูกเราเก้าล้าวมากขึ้นแต่ถ้าเราลองย้อนไปนะสมัยที่เราอายุแค่นี้เราก็เป็นนะผู้ใหญ่เขาก็รู้สึกว่าเด็กรุ่นนี้เก้าล้าวเหมือนกันเมื่อสามพันกว่าปีก่อ น, นมีนักปราชญ์คนหนึงนะชื่อเคลโตเขียนเอาไว้เลยบอกเด็กยุคนี้ยุคนี้คือเด็กเมื่อสามพันปีก่อนไม่เชื่อพระเจ้าคือไม่นับถือศาสนาไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ ดือ้อไม่มีเหตุผลประโยคที่เพลรโตเขียนไว้มาสามพปีก่อนมันก็คือสิ่งที่เรายุคนี้รู้สึกอีกแหละงั้นโดยธรรมชาตินะี่ยผู้ใหญ่มันจะรู้สึกกับเด็กนะแบบไม่เข้าใจเด็กจริงนี่ยิ่งเราไปกดดันมากๆนะเด็กมันยิ่งรุนแรงยิ่งก้าวร้าวนะถ้าฟังเขาคุยกันสบายๆนะกินข้าวกินนมคุยกันอนะเงี้ยเปิดใจ ที่รู้เรื่องง่ายขึ้นและอย่างเด็กตอนนี้รุนแรงเดี๋ยวโตขึ้นมันก็หายเมื่อหายของมันเองแหละมันไม่รุนแรงตลอดชาติหรอกแต่ของหนูนะไปดูนะว่าเหตุผลมันคืออะไรที่ทำาไมเขาถึงรุนแรงแล้วไปแก้ที่เหตุนะแก้ที่เหตุเหตุอยู่ที่เราเหตุอยู่ที่คนในบ้านเหตุอยู่ที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนนรืออะไร ดูวันนี้พอสมควรนะ